ไปวัดทำกัน อ, อ่จะใช้เสียงใจคำพูดเป็นส่วนประกอบการที่เรามีศรัทธามีความเชื่อเว้าการมาอยู่วัดอยู ว, ว่า มันรน้อนเพึ่งเย็นร้อนจากการคิดการปรุงอารมณ์ที่เราไม่เข้าใจสับสนยุ่งเหยิงเราเห็นทิ่ทเห็นทางว่าการมาอาศัยอยู่ในสถานที่หรือประเทศอันสมควร เก็ให้เกิดความสะดวกสะดวกกายสะดวกใ จ, จะลอครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเราก็ไม่ครับออกขับใจเพราะว่าเรามีศรัทธามีปัญญากูงายมีการฝึกตนสอนตนนะนะฝึกกายฝึกใจ มีความเพียนในการที่จะรู้รู้สึกตัวมีความตั้งมัน่นมีความใส่ใจมีความแน่วแน่เรามีการรู้รู้สภาพธรรมนั่นเป็ปรากฏจริงๆเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันไปรแล้วก็แล้วไปรู้แล้วก็แล้วไป อะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันมีอยู่สัมผัสเชี่ยนความคิดนไ ม, ไม่เคยบอกพอเรามาปฏิบัตินันก็ได้เห็นได้ฟังจากผู้รู้กาลยานมิตรกูบาอาจารย์ทั้งที่มีตัวตนไม่มีตัวต น, น, นเราสัมผัสลงไปในตัวเรา ในยินเสียงภายในของเราบางทีพฏิบัดิมันก็คุคิดในเรื่องที่มันคุคิดมันผ่านมาแล้วก็เก็บเอามาคิดปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆเรื่องของบุคคลระดับของเราลงไปข้างล่างระดับของเราขึ้นไปข้างบนร ะ, บระดับของเราแผ่กระจายไป รอบตัวคิดเรื่องปัญหานี้สินการเงินการทองรว่าทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเจริการเือกส่วนไรนาทรัพที่มันเป็นสิ่งที่เราจัดจับต้องได้หรือว่าสิ่งที่กำลังจะได้ แล้สิ่งที่เราจะเสียมันก็ทำให้เราได้คิดแต่จะอยู่ยังไงจะไปยังไงมันก็จะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติธรรมความคิดเรื่องกลไกลความรู้ต่างๆการปกครองต่างๆที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีของชุมชนมันก็เืนทีเดียว เฟื่ใจบางคนในสิบสี่เชิงวันนี้ฝืนหน้าดูแล้วนะยังงงอย่ามันยกมันถูกมันผิดเพื่องก็ว่าผิดเพื่อนก็ว่าไม่ถูกเราก็ไม่มั่นใจไม่รู้วถูกหรือผิดแต่ถ้าคนที่ได้สัมผัสแล้วมันจะรู้แล้วก็คืออะไรนะมันก็ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดยกให้ผิดมันก็ผิดยกให้ถูกก็ถูกบางที เรายกเร า, าไป ด, ดูตัวเราเราไปดูเจ้าบ้านงั้นไม่เรายกเราไม่ได้ดูเรนะาไะไม่ได้สัมผัสนีเ่เปนการคิดรู้ไม่ได้สัมผัสรู้แค่ยกมือนิดเดียวมันมีปัญหาจะละอมันก็เลยไปต่อได้ยากอนุบาลไม่ได้เรียนประถมไม่ได้เรียนมันจะขึ้นมัธยมขึ้น อาชีวะศึกษากรศึกษาเรียนให้จบก็เป็นไปได้ยากมันติดกัดความคิดลังเลสงสัยพวกนี้เราได้เห็นอามาสอนตนอามาสอนตนเดินทางรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวบางทีมันก็จะคิดขึ้นมาเรือ่องปัญหาเรืงปัจจัย4ีนั่นแหละ เรื่องความไม่เท่าเทียมมาหน้าทิิทลองอาัตาตัวตนต่างๆมาแสด ง, ง, งออกมาแล้วมันหาสุขภาพนั่งก็โอยลุกก็โอยก็นั่งปฏิบัติกบปวดหลังปวดเอวบางทีก็อีเกลื่อนนี่ามานั่งกันเบืองตนเหมือนกัน้นอมก็หาตัวธรรมะได้ยาก มันเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะเราได้เห็นในตัวเราที่ที่จัดให้ก็ไม่ชอไว้ที่อยากได้กับหวนควายหามาไม่เคยพอใจเลยอยู่เนืความพอใจความไม่พอใจทําให้เป็นเนืความยินดียินร้ายความชอบความไม่ชอบหนื อ, อยากหรือไม่อยาก เนือสุเนื้อทุกมันก็เลยมีกันว่าเวลาปฏิบัติธรรมก็ต้องไม่ว่าตัวใดปร ะ, ะโจนตามน้ำหรือว่าเมืองตาเหลวกับหลีวตาตามหรือว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรเริ่มเป็นเช่นนั้นเองเป็นอาการวางจิตวางใจไม่เป็นไรไม่เป็นไร ให้ทำอะไรก็ทาไม่หวังว่าจะได้อะไรอยู่ไปวันวานนึงแต่เพียงว่าอองานหลักกรรมฐานเะคลื่อนไหวหรู้สึกตรงนี้มันเรียนเบื้องต้นหรืออย่างอนุบาลหัดว่ายน้ำต้องหัดในสระอยู่ๆไปเคลื่อนยักษ์กลางทะเลลึกจมตายลูกเดียวมันก็หลบมาอยู่วัดอยู่ว่าเราก็หลบมรสุมชีวิตนี่แหละ หลบอารมณ์ที่มเคยรุนแรงข้างนอกในรุนแรงนะไม่ต้องมากเราออกไปนอกวัดเนะี่ยไปเจอหน้าวัดกระตั้งวงกินเหล้าไปข้างวัดไหนไหนก็ไฟไหม้มันหน้าอยู่ที่ไหนอันจะไปนั่งยกเมืองนั้นก็เป็นไปไม่ได้หรอกไปเจออีกฝั่งหนึ่งดังนั้นกัดบอ่อเตรียมเพาะปู่กัน เขาต้นออต้นพ ง, นงกันดันกลางก็ปรับเตียนไถปูสรพัดสารพันมันจะไปนั่งยกมือสิบสี่จังหวาแบบนั้นได้ไงการงานยุ่งเหยิงสับสนนี้ล้วก็หลบมากันในวัดปา่าโตกันเพราะว่ากฎหมายกอนุญาตแล้วก็สังคมไทยชุมชนไทยก็ไม่ได้มองว่าผิษ ตลองไปวัดบางวัดในต่างประเทศนะอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่ยากไม่มีข้าวจะกินกันหรอกต้องปลูกข้าวกินเองปลูกผักกินเองต้องขวนขวายหาพลังงานมาชดใช้ปรดีได้อยู่ได้แต่ขงเรานี่สบายเดี๋ยวโยงขับมาแล้วสมัยก่อนเนะี่ยผักเต็มหลังรถ ฟักทองฟักแฟนกล้วยนัวขโพดอะรไมเอาลงเงินไหลเข่งเพราะเห็นว่าชุมชนเราเนี่ยอยู่ในศีลเราก็ไปไงอมืองอเท้าเราก็ปฏิบัติธรรมกันยกมือเสียงว่าเดินยงกลมมันฝึกหัดกันจริงๆอย่างนั้นนะเราก็ไม่ใช่อ่อนแอ ยิ่งฝึกยิ่งเข้มแข็งความผ่า น, านอรารมณ์เระิจนอารมณ์มากมายแล้วเลยมันไม่ชวนให้ยกเนี่ยเรายังฝืนใจเข้มแข็งใจแข็งียก ว, ว่าแข็งเพื่อจะอ่อนอ่อนเพื่อจะแข็งอยู่อย่างนั้นแข็งเพื่อจะสู้กล่อมลมประเจอนอารมณ์ผ่านอารมณ์ความเคยชินมันเกิดกําลังข้างในขึ้นมาก็เป็นความอ่อนโยน อ่อนโยนต่ออารมณ์อ่อนโยนต่อการเคลื่อนการไหวเนี่ยแหละไม่แข็งปึกปักปึกปักปึกปักมันไม่ใช่คึกคักมันยกแบบเป็นธรรมดาธรรมดาเดินแบบเป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมะเดินก็รู้ว่าเดินสังเกตกายที่รู้สึกตัวตั้งแต่หัวจะหลุดเท้าก็รู้สึกตัวหายใจก็รู้สึกตัวลมสัมผัสก็รู้สึกตัว ถ้ากระทบหยาบๆที่สุดก็รู้สึกใหม่ๆหยาบๆยังไม่อยากรู้สึกเลยมันถูกเดืองความคิดจลิตนิสัยให้มันดึงเดินก็เดินยากบางทีอยู่กลุ่มก็เห็นว่าเดินมันเดินยากเดินก็ง่วงนะบางทีมันหลับกลางอากาศเลยเขาอ่อนนบางทีมันก็ฟุ้งซ่าน น้ำก็เติมอยู่นั่นนะขวดึงไม่ทันหมดก็เติมอยู่นั่นห้องน้ําก็ผาให้เข้าอยู่นั่นเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าทาั้งทั้งมัมันไม่ได้ปวดอะไระมันก็เดินออกนอกฐานวนไปวนมาเดินชมนกชมไม้อะไรมันก็บอกได้นะมันไม่ได้อ่อนโยนกับการเคลื่อนไหวจริงๆะถ้าอ่อนโยนจริงๆกับการเคลื่อนการไหวจะมีพลัง จะเกิดศรัทาขึนมาเกิดวิญญาขึนะ้นมาเกิดสติสมาธิปัญญาขึนะ้นมามันจะเดินแล้วสนุกกันนะสนุกไนะม่จะเดินแล้วเพลินนะเดินเพลินติดความเพลินเดินแล้วมันมันมันเบือ่อติดความเบือ่อมันไม่ได้เห็นความเบื่อไม่ได้เห็นความเพลินถ้าเห็นแล้วมันกลับมาสู่ความเป็นปกติ ตรงนี้แหละมันจะต่อยอดได้เราไปไหนมาไหนทําอะไรก็จะรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็ถูกลดลงลดลงลดลงเราทําหน้าที่ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางทีหน้าที่มันก็มาให้เราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอนะอย่างเมาื่อวานในพระแจ๊กไปเคาะกระจกประตูก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็กกกมีอะไรล่ะอาจารย์อาจารย์ก็มี คนก็ามาในวัดนะแล้วก็มันเหมือนกับแบกถุงขาวๆมีผู้หญิงก็เจอแล้วมันก็หดเข้าป่าไป2คนแล้วพระจ้ก็เดินไปอีกเดินไปดูทางกุศิษาทางขึ้นก็เจอผู้หญิงอยู่คนทางทีเป็นหาโทรศัพท์โทรศัพท์หายก็ไม่ได้ทางคอสงสัยอะไร ก็เลยพากันเดินไปตรงจุดที่พระศรีลังกาเจอมอารา์ไซคสองคันจอดอยู่นอกวัดพอเดินไปถึงก็มีพระเอารถไปดักหน้าดักหลังเออาร์มาเตอร์เงี้ยก็เลยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนล้อลงไปอีกฝั่งนึ่งเห็นมอเร์ไซคจอดอยู่มีผู้หญิงก็เข้ามาก็าบอกว่าเขาเก็บปืนอ้างเขาเก็บปืน เราก็เลยอ๋อมีวิธีพูดวิธีใช้คำพูดแลว้วก็รับฟังไม่สรุปอะไรดังนั้นก็บอกเออมาคนเดียวมาหลายคนมาคนเดียวขี่มาใส่ได้ไงเนาะสองคันก็ไปตามใครมามาด้วยกันอีกับก็ไปตามีวิชยัยไมคนมาสังเกต ด, ดูลมหายใจก็ยา หัวใจก็เต้นเร็วนะแล้วก็ติตก็ว่ามีระนาดแข็งแข็งทั้งสองคนขนาดพระก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงอย่างนี้มาถึงก็ใส่เลยไปแง่จะรถไปมาหาฟืนแล้วก็อืจอดตรงนี้ไม่ได้อะทะลุจอดไม่ได้วเหลังม่ได้ไจอดผู้สวนเะอาไปเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุด เรารูแล้วจะแสดงอาการนี้ก็คือปีรุษตรงนั้นแต่เราก็ยังไม่สรุปอะไรจะถ่ายหน้าคนแล้วก็ยังเฉยๆก่อนก็จะได้ศึกษากันมันเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายรูปลนมอเตอร์ไซค์เก็บไปนี่นคือหน้าที่ที่ไม่ต้องร้องขอบางทีมันก็มาโดยที่เราไม่ต้องร้องขอ หรือวัดอยู่ว่าเราก็แสดงตัวว่าเออมันขอบเขตของคนที่อยู่กันด้วยศีลได้ทำก็มีความเชื่อกันว่านะในถุงสองถุงที่เขาสะพายคือพึ่งว่เดินไปมันได้กินน้ําหอ ม, มกินน้ําหวานแถบนี้เมื่อวานได้กินน้ําหวานฟุ้งไม่เป็นถึงกูสิบสามก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองเดินเดินดูสักนิดหนึ่งว่าที่มันมุดมาไปหาตรงนั้นนะ่ะมันมีการตีพึ่งหรือเปล่า เสรแล้วก็คิดว่าจะเอารูปที่ถ่ายไปให้กำนันผู้ใหญ่ทำมาไฟว่าก็ว่าเขาอยู่ทำมาไฟหวานทำพระที่มาจากวัดภูเขาทองก็บอกว่าเคยเห็นหน้าผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่เคยเห็นหน้าหรือว่าเป็นใครก็ลองให้ก็ลองติดตามกันดูมันคือใครส่วนนี้ก็มาจากคำพูดของหลวงพ่อคำเขียนหรือว่าคำเขียนเองก็พูดว่าเพิ่งเนี่ย มันไม่มีที่จะอยู่แล้วนอ้องมันมาอาศัยอยู่ในวัดนะมันอาศัยแพร่ผ่านพึ่งไปดูเลยหลังกดารสใจมีอยู่เท่าไหร่แล้วมันก็ดันมุดมาทางแถวๆนี้ด้วยนะทางเดินจงกรมทางสุดท้ายนะมันก็คือเข้าไปตีบริเวณ น, นั้นนะในบริเวณนั้นเราไม่ใช่อยู่วัดอยู่วาเซอร์ซ่านะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนะแต่รู้แล้วเราก็พยายามศึกษา จะได้ข้เท็จจริงไม่รีบสรุปคำว่าไม่รีบสรุปตรงนี้สําคัญก็ให้โอกาสกันถึงเขาจะผิดก็ให้โอกาสกันเผื่อเขาจะเห็นว่าเพระที่นี่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะอยู่วัดอยู่วาแต่รักวัดวารมรักษณธรรมชาตนะิอันนี้ฉันใดก็ดีเรามาอยู่วัดอยู่วาเราปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าถึงธรรมกัน เรียก ว, ว่าเจริญสติฝึกสติเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกแล้วก็เห็นภายในภายนอกจริงๆเห็นข้างนอกก็มีทุกข์เห็นข้างในก็มีทุกข์นั่นคือความเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าสลงเข้าไปอาการต่างๆห้ามมันไม่ได้ป ร, รากฏการณ์ต่างๆกิริยาการต่างๆห้ามมันไม่ได้แดดมันจะร้อนฝนจะตกคนผิดศีลผิดธรรมห้ามไม่ได้ คนอื่นนะฮะเวลาตัดใจเราตัวเราเนี่ยทําอย่างไรเนี่ยเมืศีลมา น, นําสุขไม่ให้ศีลนํำพุทธะไม่ให้ศีลนําความเย็นมาให้ศีลคืออริยรัพยพมีศีลสมาธิปัญญานีมีการให้เวนทานุเนี่ยมีความเมตตาเนาี่ยเว้ยมันเป็นอริยสัพย์เป็นทรัพย์ภายในของใครของเราเป็นคุณธรรมต่างๆที่เราเพึ่งได้ ใจเรามันจะสงบ เ, เยือกเยน็นเป็นประโยชน์ขึ้นมานอกจากเราสร้างความรู้เนื้อรู้ตัวการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะแกพร้อมลอมลิบมีสลลงเพลิมันจบให้ก็ บ, บาทจะใหจขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยก็เป็นจงจะจ่ายลงให้มากจะ ย, ยาก น, า น, นั้นก็คือความรู้สึกตัวแต่ละขณะวินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งรู้จนกระทั่งมันจานานแล้ว ในรูปแบบนอกรูปแบบจํานานขึ้นมาโนะม่จึงเป็นเรื่องของการสัมผัสธรรมทุกครั้งที่เรารู้เนื้อรู้ตัวมันจะมีองค์ธรรมต่างๆมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเรียกชื่อไหนก็ตามมันจะเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดในโพคิปักเกียธรรมสามสิบประการเช่นก็เรียกว่ามีอิทธิบาสสเบื้องต้นองค์ธรรมแห่ง การที่จะทำอะไรก็ตามมันจะมีความสําเร็จขึ้นมาเนะี่ยอธิบาทสี่มีฉันทะอันดับแรกคือพอใจที่จะทํานั้นเราพอใจไหมที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวหรือพอใจไหมจะเรียนรู้ก็เหย่กไก่ก็ไข่ในเหล้านะพอใจไหมแล้พอใจไหมจะเรียนเรื่องหนึ่งสองสาสี่หหกเจ็ดแปดพอใจไหมจะพูดเอบีซีพอใจไหมฉันทะ เรียนรู้ในวิชาชีพที่เป็นสุจริตชนอาชีพสุจริตมันมีอาชีพทุจริตมากมายแล้วกันเรียกว่ามิจฉาวณิชาองค์สมเด็จสมมาจะกําหนดไว้อย่างนั้นจริงไม่จริงเราไม่รู้หรอกแต่ความเชื่อของชาวพุทธไทยไทยมหาเถระสมาคมต่างๆกําหนดไว้ชัด เรื่องของวิถีพุทธอย่าง้ยนะมิจฉาวิจฉาก็มีอยู่ในนวโกว่ามีอาชีพอะไรบ้างห้ามค้าอะไรบ้างยาพิษชีวิตสัตว์ปุ๊บค้ามนุษย์ค้าอาวุธมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรติดเป็นอาชีพขายสิ่งเสพติดสลายยาเป็น เพราะนั้นการตีพึ่งก็ขายชีวิตนะขายชีวิตสัตว์วิถีของชาวพุทธไม่ทำประเทศศรีลังกาก็ถือเป็นกฎหมายปกครองประเทศก็เลยภูตานะมันมีการกินกันหรอกอาหารป่าไปดูตรงไหนตรงไหนไม่มีประเภศลังพึ่งรวงพึ่งนะไม่มีวางขายของไทยนี่ตัดขายกันเลยนะตัดกันเป็นลังๆเลยเดี๋ยวกลัวไม่เชื่อเว็น้ําพึ่งของแท้โดนต้มโดนตุนกันแหลกเลย บางทียาน้ําตาลคั่วมาเทามาขายในวัดก็ซื้อกันเรื่องที่อาจจะเป็นน้ํำพึ่งในวัดเราก็ได้เลยที่ยวมาขายขายกันนะของเราโอยซื้อถวายพระกันซื้อกันเป็นยารักษาโรคสารพัดสารพันเเป็นการสนับสนุนให้เขาได้มาขายไนะปตีที่ไหนมาแล้วอย่างที่หลวงพ่อว่าชิปหายที่อื่นแล้วมาเจริญกนที่นี่อย่างนี้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะดัะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ร้องขอนะปรากฏการเกียรติการต่างๆแต่จิตใจของเรานะไม่ทุกข์กับสิ่งเหลนะ่านั้นทํำยังไงเราก็เลยได้เห็นละความรู้สึกตัวในเพึ่งได้จริงๆมาอยู่วัดดีว่าเราก็จึงรวมตัวกันถึงจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็มีพลังปฏิวัติธรรมมีน้อ ย, อ ย, อยมีไม่มากหรอกที่ไหนที่ไหนก็ตามทดลองาถือศีลกันเนีน ผิดศีลผิดธรรมลงปริวาติมากรถวัดเลยมาแก้กรรมกันมาล้นวัดเลยลองเลยเนี่ยสวดพันยักษ์ในวัดป่าสุขโตนะคนก็จะมากันแย่ๆไปหมดเล ย, ย, ยเรื่องของศีลถือศีลกินเจแต่งชุดขาวนที่ไหนกันดีไหนเยอะแต่เข้ามาถึงตัวภาวนานในน้อยยิ่งทําทานเนี่ยลองตั้งกองทานนะ แป๊บเดียวจะละคนจะไหลามาเทมาเจ้าทานเรื่องอะไรสร้างพระปาพระปาโรงเรียนเดี๋ยวก็จะมีพวกเศรษฐีทั้งหลายร่วมทุนกันมากันเต็มวัดเต็มบ้มบานนะที่พูดนี่ไม่ใช่ไม่ดีดีเป็นทางเดินสู่มรรคสู่ผลทั้งหมดนะทานศีลภาวนาแต่ว่าตัวภาวนาเป็นที่สุดถ้าเป็นดีมันจะเป็นดีที่สุด ถ้าเป็นลนากณะของการดับทุกข์ถอนรากถอนโคนเลยมันไม่ใยากินยาดมมันเป็นพาตัดแก้ทุกข์ก็ต้องตัดที่กรรมฐานนี่แหละกรรมฐานก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เป็นอย่างนี้เราก็จึงไม่ไม่พยายามที่จะเหมือนก็ไม่พอใจไม่มีฉันทะาในการทม บริยะขยันลงไปเพียนลงไปก็เกอนไหวรู้สึกตัวลงไปแสดงกันให้เห็นหน่อยในรูปแบบทำกันให้มากเท่าที่จะมากได้ลองสัก5ปีดูนันจะเป็นยังไง5ปีนะมันอาจจะดีหรือมันอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างทำให้เราหายสงสัยเรื่องของศฆษณาก็ได้ว่าหลวงปู่เทียนกระทาไว้3ปี เจ้าท้าไว้เจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะทำถูกถูกทำจริงๆหรอมันพริกช่วงพลิบตาเดียวเลยจากหลงเป็นไปหลงจากทุกเป็นไปไทุกพลิบตาเดียวมันก็ดีกว่าไปเรียนรู้เรื่องอื่นไปเรียนรู้เรื่องอื่นวิชาการทางโลกต่างๆหายอยู่หากินท้ายสุดประจบแล้วมัยังทุกอยู่เหมือนเดิม ตัววิชากรรมฐานเรียนจบแล้วไม่ต้องทุกข์หรือว่ายังไม่จบกะตามทุกข์มันก็ลดลงตามลำดับขั้นตอนของมันแน่นอนทุกครั้งที่รู้สึกตัวกายกันไหวใจรู้เราก็เพียนกันขยันปักขยันกันเหมือนหาทรัพย์ภายนอกหาเงินหาทองหาขานหาอยู่หากินนี่เป็นเรื่องของความอบอุ่นใจทีเดียวมีลาจิตใจเรามันอบอุ่นตั้งมั่นเลยไหม ถูกรดลงต่อมาก็คือมีจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่เราทํามีจิตตะจิตตะก็หมายถึงจะทําอะไรก็แน่วแน่มีความสําเร็จเป็นตั้งชานเป็นตั้งหลายสิ่งหลายอย่างคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นมาเป็นความสุขความสําเร็จทิธิปาฏิหารต่างๆเกิดจากจิตใจของเราที่มันตั้งมั่นเลยล่ะเกิดทำอะไรก็จะทำแล้วก็มีความสําเร็จ มีองค์ประกอบของความสาเร็จหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นมาเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆถ้าจิตใจตั้งมัน่นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอาชีพทุจริตมีความตั้งมัน่นลงไปก็จะมีความสําเร็จเหมือนกับพวกตีพึ่งอย่างเงี้ยนะมันก็มีความสําเร็จต้องใช้มิจฉาสมาธิอยู่มีจิตใจที่ตั้งมั่นแบบเป็นมิจฉามีความเห็นแต่ว่าเห็นไม่ถูกตามกันลองของทำกฎกติกามาญาติของชุมชนสังคม สมมติบันหยัดมันไม่รู้มงกตมันไม่ถูกแต่มันก็มีความสําเร็จนะมันก็ตีพึ่งได้มีความสําเร็จแล้วมันก็มีปัญญาด้วยนะปัญญาแบบมิจฉาปัญญาเวลามันจะตีพึ่งสังเกตดูไฟจะไหม้ทุกครั้งให้ทั้งคอสังเกตนะมาสังเกตมาหลายครั้งหลายหนแล้วพอไฟไหม้ที่ไรอ่ะพระจะไปรวมตัวกันดับไฟชาวบ้านจะไปสนใจกัรดับไฟ แล้วจะมีคนแปลกๆนะมันเดินเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยเดินเข้ามาก็คือจังหวะนั้นแหละมันตีพึ่งมันก็เอาควันไปลมพึ่งแล้วก็ให้ควันเนี่ยเหมือนกับว่ากลมกลืนกับควันที่อยู่นอกวัดเพราะนั้นมันสองทางดีเดียวมันเผาป่าเพื่อมันจะตีพึ่งนั่นแหละหาของป่าหาเก็บหาอยู่หากินน มันก็มีสติแบบของมันเราก็มีสติแบบของเราคือสติมารู้สึกตัวสติมารู้สึกตัวมีสมาธิอาการรู้สึกตัวมีสมาธิอาการรู้สึกตัวเี้มันจะเกิดที่มันบังสายขึ้นก็คือการแยกแยะใครคลวนสังเกตพวกนี้ยมีมังสามีการทดลองลองผิดลองถูกทําแล้วง่วงมันทํำยังไงทําแล้วมันไม่ง่วงทํำยังไง ทำแล้วเบื่อเป็นยังไงทำแล้วไม่เบื่อเป็นยังไงตัวรู้มันรู้ตื่นเบิกบานเป็นปกติรู้เฉยเฉยเป็นยังไงเมื่อาวานหลวงพ่อจรัญบอกมันเฉยไม่เฉยแบบไม่เฉยมันเฉยไม่ใช่ ม, ใชมันเฉยแบบฉลาดอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นมันเฉยแบบเฉลียวด้วยตอนพูดแบบฉลาดด้วยเฉลียวด้วยเราฟังแล้วมันก็เฉยมันไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียว แต่กลายเป็นความโง่ลึกฉนะลาดแบบนั้นนะจะเหลียวด้วยก็คือมันจะกลายเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมการรู้ทั่วสัตว์ร่างกายมารู้ตัวทั่วพร้อมจะทำมารู้รอบกองสังขารแยกได้อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปสุจริตทุจริต อ, นะอะไรเป็นมิจฉาอะไรเป็นสัมมากลับมาหาความรู้สึกตัวมันก็เป็นสัมมาสัมมาขวัญมาขวัญม า, ม า, มาอยู่ในตัวัน ตัวกลางที่รู้สึกเกินไหวจิตปกติถ้ามันจำไปมันก็คือเผลอไปออกนอกตัวมันไม่ได้มาไปทางตาตาก็หลงทางตาทางหัวกหลงทางหูวจมวกลิ้นมันก็หลงทั้งหมดก็คือกลายเป็นทุกข์ต่อไปจิตใจของเราจะเต้นไม่ปกตินีลมหายใจมันก็จะไม่ปกติ กล้ามเนื้อเรามันก็เกร็งมันจะไม่ปกติมันก็จะมีอาการเครียดเกิดขึ้นมาลดสมองระบบประสาทต่างๆเห็นกระดูกนะมันก็มันไม่ใช่ความป่อนคลายหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติเราก็เกี่ยวข้องเขาาอย่างถูกต้องอย่างยกมือแล้วเกนะร็งจะทำยังไงตอนเนี้ลองดูเดี๋ยวมือมากําแล้วก็เกร็งเข้าไปมันเป็นยังไงสังเกตดู แล้วพอคลายออกของเป็นยังไงมันสบายยังไงมันโล่งโปร่องยังไงเบาเนื้อเบาตัวไงเราก็สังเกตเอาตัวมังสาทดลองไข้ควรดูเดินเร็วๆเป็นยังไงเวลาเดินวงนกลมยกมือเร็วๆมันเป็นยังไงก็ลองสังเกต ด, ดูเวลายกชย้าๆเป็นยัไงเจตนาลองดูยกช้าเๆปฏิยาการอะไรที่มส่งผลออกมาหรือว่าเวลาพอดีพอ ด, พอดีไม่ช้าไม่เร็วเป็นยังไง เวลาเดินศาลาบนนี้เป็นยังไงเดินใต่ถุนเป็นยังไงเราสังเกตดูสถานที่ไปเดินในรูปแบบเป็นยังไงในทางเดินจงกรมนั่งเก้าอี้เป็นยังไงมันต้องเอาปฏิเอะเอาเก้าอีพ้พลาติกไปด้วยใช่ไหมยเงี้ยถ้านั่งเก้าอี้หินธรรมดาเป็นยังไงนั่งกับเพื่อนเป็นยังไงต้องเอาเสื่อรองที่นี่ไปนั่งด้วยใช่ไหมหลายคนบางทีมันประหลาดมากเอาที่นั่งเนี้ยเป็นที่นั่งผ้าไปลองนั่งแล้วก็ทิ้แงแง่งละลาขึ้น เลอะฝุอย่างนั้นมันมันไม่ฉลาดแต่เบื้องต้นเสแล้วมันทําไม่ถูกแต่เบื้องต้นเสแล้วมันจะต้องกลมกลืนสักหน่อยจนทั้งทา ง, ทงานทําการก็เป็นความรู้สึกตัวได้เนะมื่อเรารู้สึกตัวในรูปแบบเป็นโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากตัวเองกับตัวเองกันะจะเดินตรงไหนก็ได้จะขอยอยู่ตรงนั้นนานๆตรงนีน้มันจะเกิดประสบการณ์ที่ดีนะ ที่ท้ายสุดมันก็จะได้คําตอบได้คําตอบปัญหายสงสัยเรากเราไปถามใครฟังเขาพูดเราก็รู้อ๋อมาพูดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็มีประสบการณ์มาเหมือนกันมันก็เป็นอันเดียวกันฟังคําพูดมันก็เห็นในตัวเราหลวงพ่อคำเขียนเลยชอบพูดว่าไอสิ่งที่พูดนะพูดจากสิ่งที่ท่านทํานำ ท่านทำแล้วทานกล่ามาพูดแล้วเราก็ได้ฟังในสิ่งที่ท่านพูดแล้วก็เอาไปทําตรงไหนที่มันไม่เคยได้ยิ น, นก็ได้ยินนะตรงไหนที่มันได้ยินแล้วยังสงสัยอยู่ก็หายสงสัยเมื่อสิ่งที่ฟังเอาไปทําและสิ่งที่ทำแล้วมาฟังกันต่อมันก็เกิดการแตกฉานขึ้นมา ดังนั้นเราก็จึงนี่แหละว่าทำว่าจดมลโลกฟังทํำกันบ้างอย้น้อยเราก็ได้เห็นในตัวเราเวลาพูดถูกใจพูดไม่ถูกใจมันได้เห็นในตัวเราเห็นใจของเราเกิดความพอใจไม่พอใจเราถอนออกมาจากความพอใจไม่พอใจเป็นเสียงแต่ว่าเสียงไี่ได้สัตว์ตนบุคคลเราเข้าได้หรือไม่บาทีมันมีเสียงแอมไอต่างๆมีเสียงที่มันฟังแล้วกระด้างกระเดือง อย่าปิดหูถูกใจไม่ถูกใจเราเอาประโยชน์ทั้งหมดเลยอันนี้เรเรียกว่าอยู่วัดอยู่วากันเราวัดจิตวัจจัยของเราสุกโตคือไปแล้วด้วยดีเนื้อเกิดเนื้อแก่เนืเจ็บเนื้อตายเรามาอยู่สุกโตเพื่ออยู่เพื่อที่จะไปแล้วด้วยดีไปไหนก็ได้ที่มันอยู่เนื้อเกิดเนื้อแก่เนืเจ็บเนื้อตายได้ทำประโยชน์ ต้องมันต้องเรียกว่าวางละ ว, วางกายวางใจจริงๆละ ว, วางธาตุขันต่างๆอันแรกเรียกว่าสุขตอถ้าสุขติก็คือทํามื่อมีความสุขมีความเพลินอันนั้นเกิดฤทธิ์มากมายแล้วกันจะรักษาบุญประการบุญแล้วแก้ไขเปลี่ยนไล่ไกลายเป็นดีขึ้นมาอะไรไม่ดีมันจะทําดีขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าบุญอีกอันก็คือไปรหนาของทุกขติ ปกติปูมิเทวดาไปไม่ได้แนะ่เพราะว่ารักสุขเีหตุทุกส่วนนิมพยาบัยก็คือทําอะไรก็ได้เห็นผิดเป็นชอบเป็นวงจักเป็นดอกบัวสัตยฉานจะขัดแย้งอรติอยู่ในใจนี่นะแล้วหน้าของเดรัจฉานหน้าของแปรก็คืออยากหิวอยู่ตลอดลไม่ยิ่มสักทีอันนี้เป็นนโบายภูมิมันอยากอยู่ตลอดก็ทุกข์ตลอดขนขวายตลอด ผลกไยปจ 4, 5, 6, 7, 8, ัจจัยสี่ห้เพวกนี้เน่ยก็เป็นอาการของเปรตไม่รู้จักอิ่มต่อมาก็คือลักษณะของอาสุ ร, รกายอาสุ ร, รกายก็ขี้ขาดสะดงวัดประวากลัวพวกนี้กลุ่มของอาสุ ร, รกายต้องมีความกล้าเติมโซลาเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเลือดลมันฉีดีอีกนันก็คือสัตว์นรกอาสูร สัตที่ไปลักณะของสัตว์นรกวอยไปลักษณะของการร่อนรุ่มพอกลัวแล้วก็แสดงออกต้านทันทีแล้วก็ลงมือลงแรงกายแรงใจทําทันทีเมื่อกี้มีสัตว์เดือดฉานเปรตแต่ ว, ว่าสัตลกายอันนี้ก็คือสัตว์นรกนั่นเองจากนั้นรา ก, ก็จะหวาดกลัวแล้วกั น, นํากันแล้วเนี่ย ก็จะมีการแสดงออกทางกายวาจาใจนะ่ร้อนรุ่มทีเดียวประเภทนี้ลูกค่าแม่ก็ได้นะเหมือนกล่องก็น้อยค่าแม่แกันะจนต้องสร้างคดีใหญ่ๆขึ้นมากบเกลื่อนตัวเองเอาดีมากบจอทางสังคมก็ยอมรับขึ้นมาว่าเออรู้จักเหมือนกับสำนึกผิด ก, ก็ให้อภัยกันให้โอกาสได้พวกพรหมก็ย้ายโอกาสมีเมตาก็นาเ ม, มตตาบแบกขาเราก็ได้เห็นพวกเทวดาก็ตาม มันจึงเป็นละนะักษณะของการแบบทมก็เปิดภูมิต่างๆให้เราได้เห็นเป็นสุกติภูมิเป็นทุกติภูมิเป็นพุทธภูมิต่างๆเปิดให้เราได้สัมผัสในขณะที่เรารู้สึกตัวนี่แหละพอเขาพูดให้ฟังก็ เ, เห็นว่าสมควญแก่เวลาเราก็ปฏิบัติเดีกนต่อไปอะไรดีก็ทำํำแล้วก็พูดคมอาจารย์กันต่อไปทางเดินสู่การพ้นทุกข์มันอยู่ตรงไห น, นเราก็เดินนะ แล้วเราก็บอกกันต่อไปพี่รู้สองน้องรุ่นหนึ่งอะไรก็ตามแล้วว่าปอหนึ่งอสอนอนุบาลหนึ่งด้วยมัธยมจะบอกอนุบาลบอกปฐมหรือ ว, ว่าอุดมศึกษาจะบอกกับมัธยมปถมหรือ ว, ว่าอนุบาลอะไรก็ตามล้วก็เอาประโยชน์กันได้ยินได้ฟังแล้วว่าเรียกว่าเป็นการฟังธรรมในตัวเราในใจของเราต่อไปก็ขอให้การทำดีของเราทั้งหลายแล้วก็ปฏิัติธรรมของเราทั้งหลาย ก็จะเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกในทุนราการกทุกท่านทุกคนนั้นเธอ